กิเลสก่วงขวางอไปอีกถ้าชําระคือปล่อยวางอุปทานคือดวงเราได้แล้วมันก็จะหมดเรื่องอย่างนั้นก็ยังสอนเนรื่องสติปัฏฐานมีนากายสติวัฏฐานพิจารณาเวทนาสติวัฏฐานพิจารณาจิสตสติเัฏจิตพิจารณาธรรมสจิวัฏธรรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา ลองคิดดีคิดดูดีๆสิเดี๋ยวนี้เราถือตัวของเราเราถือว่าเป็นคนว่าตัวของเราถือมานานแสนนานอะไรถูกที่ไหนเ จ, เจ็บนีิดหน่อยนี่จะเลี่ยกันแต่กูเจ็บกูคันอะไรกันทั้งนองมันกูไปทั้งนั้นมันทิ้งไม่ลงมันปล่อยไม่ได้มันเป็นของตัวของกูทั้งหมดแต่แท้จริงไม่ใช่ของเรา หากมีปัญหามันสลับซับซ้อนไม่ใช่ของเราทําไมยังรู้สึกคือภาษามันสลับรู้สึกไม่ใช่เราเป็นคนไปรู้สึกภาษารู้สึกตรงหานี่นเกิดความรู้สึก่งงตัวภาษาตรงนีน้ถ้าภาษาเน้นมึนชาหรือว่าปภาสาเน้นตายเสียมันก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนกันอันนี้ประสาทมันเกี่ยวถึงเรื่องจิต เ ม, ม spirit, ื <Hey. S 1> person, ่อม <No. S 1> ีประสาทมันก็มีจิตเมื่อมีจิตมันก็มีประสาทมีได้ประสาทไม่ได้จิตอย่างเดียวถ้านก็ใช้งานไม่ได้คือคนตายถ้ามีแต่จิตไม่มีประสาทมันก็เหมือนพวกเทพทั้งหลายพวกพูดผีวิสัตย์ไม่จะรู้วยใจเก็บจะปวดอะไรมันมีแต่จิตมันไม่มีประสาทดังนั้นเมื่อมีประสาทจะมีจิต ไม่ใช่เพื่อเกิดความรู้เมื่อสัมผัสกันแล้วก็รู้นั่นโดนเนี่ยแต่งแต่งแต่ที่จริงไม่ใช่ของเราเราไม่เห็นตัวไม่ทําตัวเจ็บไม่ทราตัวเป็นไงแต่เราก็ถือว่าเจ็บอยู่ล่าไปตัวไม่สบายไม่ทราตัวเป็นไงแต่แล้วก็ถือเป็นของเราอยู่ล่าไปเนี่ยอพวกเราที่ไม่เข้าใจมันมาอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่รีลัตเปิดเผยตรงๆนี่แหละ แต่ละพิจานาไม่เห็นพิจานาไม่ถึงพิจานาถึงเรื่องหลักเขามาฐานทึ่วันนี้จับตัวไม่ได้มันถือก็ถือตัวเด่นตัวนี้แ่ะมันวางก็วางตัวนี้แหะนึ่มาพูดถึงอันนี้ก็เรื่องพูดถึงอัตตาอะนตตาเข้าไปเลย อนัตตาเขาโดยมากคนันพูดกันทั้งเรื่องของไม่มีเรียกว่าอนัตตาแค่ที่จริงไม่ใช่ของมันมีของมีของมีอยู่แต่ว่าไม่มีสาระคือไม่ใช่ของเราก็ายอธิบายมา น, นี้มันหน้าที่มันทําตามหน้าที่ของมันอยู่ไม่ใช่ของเราจึงเรียกว่าอนัตตา จะเปรียบว่าเด็กกายภายนอกเลยใจของเราถ้าหากเรารักษาไม่อยู่คุ้มครองไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันใจอนี้รักษาไม่ได้คุ้มครองไม่ได้ไม่ใช่ของเราเหมือนกันถ้าหาเราถือไม่ใช่ของเราแล้วปล่อยลองดูดี่สบายเลยอันนี้ถ้าไมเราคุ้มครองไม่อยู่รักษาไไม่ได้ยิ่งยุ่งใหญ่ยิ่งอยากแกให้มันอยู่อยา่างนี้มันจะงบเอาเลยยิ่งยุ่งใหญ่ ถ้าไม่ใช่ของเราหรอกมันเอ้าเถอะม่ใช่ไปไหนก็ไปเลยปล่อยไม่ยึดไม่ถือมันมันเลยหายเลยมันสงบไม่รู้ตัวเหมือน น, นี่ไม่ถือของไม่ใช่เราเป็นเราของอนัตตาเป็นอัตตานี่ยังพอเป็นเรื่องยุ่งกันใหญ่ถือมากก็ยุ่งมากถือน้อยก็ยุ่งน้อยพุทธศาสนาของดีมีค่า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 ท่านหลวพอมาเปรียบไว้หลายอย่างหลายเรื่องเหมือนกับกลบเฝ้าขอบัวไม่รู้จักรสกลิ่นของดอกบัวหรือไม่เช่นนั้นท่านก็เปรียบพระพมาเหมือนกับว่าถ้าีตักแงกงจึงว่าทั้งเฮียนวัดไม่รู้จักรสของแกงพุทธศาสนาเป็นของดี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 อะไรต่างอะไรดีเถอะเขาสอนหลักเฉพาะเลขคณิตคิดคานวณ น, นั่นนี่อะไรต่างแต่ให้คิดดูอีกทีหนึ่งเถอะเขาเรียนวิชาทั้งหลายนั้นอาศัยอะไรเขาจึางเคยเรียนสำเร็จรู้่วงไปได้ไม่ใช่ความเพียรหรือไม่ใช่ความพยายามหรือไม่ใช่ความเลื่อมใสความศรัทธาเชื่อมั่นเลย ให้ขยันหมั่นเพียรพยายามมันก็ไม่สําเร็จร้องให้ขาดแต่เึียงความขยันหมั่นเพียรเท่านั้นเดียวโรงเรียนนักครูวิชาจะดีแสนดีไม่สําเร็จประโยชน์สักอย่างเดียวความเพียรในพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาวิรยิยะวิริเยนะทุกขมะเจติพ้ทนทุกข์ได้เพราะความเพียร คือเวลาเราเรียนหนังสือนะกำลังเรียนหนังสือหรือประกอบวอิจัยในกระดามเถอะมันต้องลำบากากากกันง่ายกว่าทุกทรมานยังเหมื่อเรานอนอยู่เฉยๆแต่ว่าเราพยายามใช้ความเพียรคือมีความทะเยอทะยานอยากได้วิชานั้นๆอยากได้อาชีพนั้นๆอยากให้ การงานรู้ล่วงสําเร็จไปได้เรามีความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้ว่าทําอย่างนี้ต้องสําเร็จแน่นอนแล้วก็ขยันยาม ย, ย า, มากบั่นข ย, ยันไม่ท้อถอยพาละลรืการงานอาชีพอะไนั้นก็สําเร็จรู้ล่วงไปได้นั่นนราเรียกว่าเอาธรรมะทั้งสองเขาไปได้เจ้ามาใช้ โดยแค่มารู้ตัวนอกจากนั้นอีกทั้งยังใช้ทั้งเรื่องสติสามประชัญญาเป็นเครื่องประกอบทุกอาชีพทุกทุกวิธีทางจะทำอะไรก็ตามเถอะถ้าขาดสติทั้งๆเพื่อเผลอจะแล้วงานก็ไม่สำเร็จร่ว สำสัมปชัญญะการรู้ตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวอยู่ยแล้วทำเมาเมานมึนไปก็ไม่สำเร็จตัวรล่วงไปได้เหมือนกันนี้ยัางว่าพุทธศาสนาในะเรื่องขอมีผ่ามากเพียงแค่นี้เรียกว่าส่วนพื่นๆที่เอามาใช้ทั่วทั่วกันไป <c oughs> อันนี้พูดถึงเรื่อง พุทธศาสนาที่จะบำบัดทุกโศกหรือแก้โกไภัยโดยเฉพาะอะไรคันนี้ศาสนาพระองค์ตรัสเทศนาพระมาเปียมกมขยาโอสถติดยาขนาดหนึ่งคนเราเดือดร้อนลุ่มใจทั้งหากเรามาเอาทรรมคือคำสองพเพื่อเจ้า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 ข้นสอนอสภาพมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเรายกเอาธรรมขั้สองพุทธเจ้านั่นแ่ะ ม, รรมาพิจารณาอาจจะเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาอ๋อมันเป็นจริงอย่างนี้เองเรื่องต้องนึงเราก็เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของแน่นอนทาวมันคงมาบัตนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเแต่แล้วเป็นจริงอย่างพุทธเจ้าตรัสเทศฐาเป็นอนิจจงแน่นอนแท้ทีเดียว นี่เรียกว่าเราหยิบยกเอาธรรมโอสถคือคำสองของพุทธเจ้ามารับประทานเห็นชัดวยดใจเังตนเองแล้วความทุกโกลุ่มใจไม่สบายใจอะไรต่านงนหายวาดไปเลยอันนั้นเรียกว่าโลกภายใน คือโลกคือของทุกข์ความไม่สบายใจคือโลกอันหนึง่งเมื่อเรารับประทานยาขนาดนี้เข้าไปมันก็จะหายไปเอง <c oughs> หากเราไม่มีความสบายใจมีกวนวุ่นวายด้วยเหตุใดเหตุนนนหนึ่งก็ตามเถอะเรายกขออคำสอนเพื่เจะบทใดบทหนึ่งึือมาพิจรารณา อย่างน้อยแล้วลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเอาพระคุณคือพุทธโธนี่แหละมาปริกรรมไม่จิตส่งสายออกนอกจากนั้นให้มีความรู้สึกเฉพาะอยู่ที่พุทธโธแห่งเดียวพระพุทธองค์ทรงตรัสถนาวันอนุสติ คือระลึกถึงของดีที่ว่า น, นี่คือระลึกึงของดีพุทธาสติร ล, ลึกถึงคุณเวเจ้าธรรมาสติรลึกถึงคุณเวทธรรมสังฆาสติระระลึกถึงคุณพระสงค์ศีลาราติรลึกถึงคุณศีลที่เรารักษาที่มีที่มีใหอ่ในตัวขงเราไตวงเรามันบริสุทธิ์หมดจดจากโทษต่างๆจารคาสติร ล, ลึกถึงการที่จ า, าระบุจากธางมุนันท า, าน เทวดาอาสติแล้วลึกถึงเทวดาที่เป็นเทวดาคือเป็นผู้ดิบผู้ดีเป็นคนเอาดีก็เพราะความดีที่ตายอย่างมนุษย์พระกิณีเทวดาก็เพราะความดีมีศิลฐานเป็นต้นสูงขึ้นไปับอุปสมะอาติติลึกถึงคุณของความสงบที่จากกิเลสคือได้แก่ระนีพ่านถึงเรายังไม่ทั้ถึงเสนีผ่านก็ใช่แต่เราลึกถึงความสงบ คนสงบที่มีอยู่ในใจขงเราสักนิดนึงก็เถอะนี่มันสนุกสุขสบายจริงส่ว น, นสงบไม่เห็นชัดในใจอของเราเลยมันสงบมันสุขเยือกเย็นอย่างนี้แล้วแตคิดนึกไว้ถึงความสุขสงบที่ปราดกเกปรกยเกลียดที่มีกุบะที่ถังหวงมดจะสุขถึงขนาดไหนใจของเราก็เ บ, บิดบานอันนี้ก็เรียกว่ารับทานยา คือธรรมโอสถคำสองของพระพุทธเจ้าเอาใจมาไว้ในที่เดียวเท่านั้นหายจากความกระวนกระเดือดอร้อนทั้งมหมดนันก็ได้รับความสุขเนี่ยศาสนาเราเอาเอามาใช้มาได้ประโยชน์มีประโยชน์คุ้นข้างนี่แหละถ้าหากเราใช้ทั้งภายนอกละคะนี่อย่างที่เขาใช้ใช้นอยู่ทั่วไปทั้งโลกน่ ถ้ากรูปใจมันหนักๆเขาไม่มีทางออกดื่มเหล้ามึนเมาซะจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันดีอะไรเนี่ยคนไม่มีสติคนไม่รู้ตัวก็คนตายน่ะสิไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาคนไม่มีสติมันก็มันก็คนนอนน่ะสิจะมันดีได้อีกไงมันไม่ใช่มันหายกรูปมันหลับมันสติมันหมดไป มันก็เลยไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกเพราก็ความรู้สึกขึ้นมามันกแตเท่าเก่านั่นแหละแหละหาคองสุงไม่ได้หรือไม่จะนั่งก็เที่ยวเกยเข้าลงขับรถยนูนังดูละครอะไรตามเรื่องราวสนุกเฮฮาไปมันไม่ใช่มันหายไป ต, ติดหมู่ติดพระนาเพินดูนั่นดูนี่ไปมันก็ยังวกกลับขึ้นมาของเก่านั่น หลับจากนั้นมายว่าถึงบ้านกัของเก่านั่นแหละกลุมเหมเท่าเกา่าถ้ า, าเรามาเอาโนุสติในเครื่องอยู่ลดอะจะเข้าลงหนังลรงละครจะอยู่บ้านอยู่ช่องจะอยู่ไหนอยู่ทุง่งอยู่ทา้ายอยู่ไหนก็ตามหรออยู่ว่าดีวา่ามันจะงอบเย็นอยู่ตลอดเวลามันตี ก, กูกันหัวคำอันนี้จริงว่าธรามโอสถเสียงของหาค่าไม่ได้ใครจะมาเสื้ อ, อได้ของพนัง ถ้าหากว่าเรารับธรรมโอสถคําสองพระเจ้านี้เอาไปไว้ในใจของตนแลกพิจารณาตามที่หลวงสอนไว้แล้ได้รับความสุขสงบอันของหาค่ามีใดครับที่ว่าเป็นของหาค่ามีใดในที่นี้นะมาสใครจะมาซื้อเอาได้งั้นเราตุ้มใจทุกข์ใจใช้เงินไม่สักหมื่นไจะหายไหมให้แสนให้ไปล้านหายไหม แลวไม่ไม่หายหรอกที่ร้อยร้านมันก็ไม่หายเลยตราบใดถ้าหากเราไม่มาพิจารณาถึงำคำคําสองพระเจ้าโดยนายที่อธิบายมานี้หรือหัดตามนายที่อธิบายมานี้ใจเข้าถึงความสงบแล้วนะหาค่าไม่ได้คานวณเขาว่าหาค่าไม่ได้นะี่เป็นสังนว น, นโวหารโบราณแต่ก่อน คือไม่มีใครจะซื้อได้ตีราคาไม่ได้เองนี่จริงว่าข้อนี้ซื้อขายก็ไม่ได้พูดกันเดียวนี้เลยว่าข้อนี้ซื้อขายก็ไม่ได้ไม่ทราบไปซื้อตรงไหนไม่ทราบไปขายตรงไห น, นมันเกิดจากธรรมคือคำสอนของพเดธเจ้าเมื่อเราเอกไปรับประทานคือการพิจารณาตามไหนที่ว่านั้นจึงค่อยสงบลงไป แม้ของมีคุณประโยชน์อย่างนี้มนนีแนวว่าโดยเฉพาะในทางปฏิบัติมีคุณค่าประโยชน์อย่างยิ่งจีเลตทั้งหลายคนบางคนเคยงดหงิดชุนเขียววนวีวนวายขี่โบททขี่พูดอะไรต่างสรรพั์ทุกอย่างใครเวลาเข้าถึงก่อนงบแล้วมันเห็นความสนุก ความสุขสงบในภายในมันยิ่งกว่าที่เราจะมายุบของภายนอยอีกเราเป็นคนพูดน้อยทําน้อยไปคิดน้อยลงไปทุกสิ่งทุกอย่างสุภาพเรียบร้อยไปหมดดีหมดสงบไปทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสภายในสงบและกิเลสภายนอกอาการกิเลสภายนอกก็เลยสงบไปตามๆกันเนื้อกลับกลายเป็นคนลคนขึ้นมา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 ทำคำสองพระเจ้าและไม่รู้จักที่จะเอาทำคำสองพระเจ้าไปใช้เขางไม่ค่านะี่ไปใช้ไม่ถูกเลยเข้าใจว่าบวชเป็ น, นเนรใช่ก่อนแล้วบวชเป็นพระใช่ก่อนแล้วเป็นชีพระขาวใชก่อนแล้วเป็นวิชีใช่ก่อนที่จะเอาไปปฏิบัตินี่มาเข้าใจไปอแท้จริงก็ได้เจ้าไม่ได้สอนว่าบวชเรื่องความปฏิบัตินะไม่ได้ปม่ได้อยอย่างนั้น ไม่ได้สอนไม่ได้พูดองนั้นทุกคนจําเป็นเกิดขึ้นมาจะต้องปฏิบัติด้วยกันปฏิบัติหลักธรรมคือถ้าทุกคนเห็นว่าตนจะมีโลคมีภัยคือทุกมีอยู่ในตัวของตนแล้วจะต้องปฏิบัติจะต้องบริโภคคือจะต้องรับฐานยาด้วยกันเนทะ่านั้นไม่ได้สอนผูกขาดแต่คนใต่คนเราปฏิบัติตามฐานะชั้นภูมิของตนไม่ใช่หมดภาระกังวลได้วจึงจะปฏิบัติ ปฏิบัติธารมให้หมดล่ะแล้วปฏิบัติในเวลาที่ยังไม่ทงหมดนั่นแหละสิอย่างไยถูกตามหลักคําสอนพระเจ้าเตียนแล้วเอ้าจอดไปได้่ายาไปถ า, ยางยาไงไปถางธสามะเตียนมันโรคนันที่เขาถางฝ่าโรคมันสี่เขาใช้ไม่ใช้ขวดถางถางฝ่าโรคนันสี่เขาไปจูกรอยูนแล้ว่าโรกนันสี ไม่จูดแล้วก็ปุยเยนทีแต่ขี้ฝุ่นผงมาวมดเลยที่ท ม, ทมันปุยมันเป็นกลายกลายเป็นปุยขึ้นมาทําให้ดินที่นั้นงอกงามคนเรากําลังมันรกอยู่นั่นแหละกําลังมันวุ่นวี่วนวายนะนั่นแหละจะต้องต่อสู้เพื่อถากถา ง, างสงบแล้วยังก็จะทำได้ไม่ได้โดยมากคนเรามักอ้างแต่ว่าสงบเ ก, ก่อน สบายแต่ก่อนนี้ก็อย่าทำนั่นยังไม่ถูกหากว่าเกิดความยุ่งและวุ่นวายเดือดร้อนเกิดมาในขณะใดในขณะนั้นถ้าหากเราิตโทษพิจารณาให้ถูกหลักคือรับเอาทำคำสอนพระเจ้าเข้าไปพิจรารณาไม่จะเตียนโลกมาไปทันทีคือเห็นว่า อันนี้หยตัวคนเราเกิดขึ้มา น, นี้แหละเกิดจะกข้เกิดตัวเลียวนี่แหละที่มันยุงยน่งขึ้นนี้ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีเรื่องยุง่นี่จับอันนี้เบื้องต้นให้ก่อนครั้นี้ก็สาวไปลองดูเถอะเกิดมาครั้งแรงกัะเป็นยังไงแต่คราวเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเติบโตขึ้นมากระทั า, ทามีครอบครัวจะมีเป็นพ่อตายไหมยายของเป็นไงครับ กษาไปลองดูสิสะสมขึ้นมามองมูลอากลเข้ามาด้วยประการต่างๆมากเกือกลางเคยมาเรื่องคดีชราพัฒนทุกอย่างอ้จางนี้ไปหาตายแล้วคราวนี้มันจะเป็นไงต่อไปอีกมันลดลงไปหรือว่ามันลดลงไปหรือว่า ม, มันเพิ่มภูนขึ้น ก็ลองคิดดูสิถ้าหากเราเห็นท่อดำมันเพิ่มพูนขึ้นเวลาเนี่ยกําลังเพิ่มพูนเนี่ยก็รีบแก้ไขรีบชาระสัง่งลงเฉยดีก็รีบทําเฉยๆมันก็ไมค่อยถูกจะให้มันมีอะไรไรเงี้่อยทามันก็ไม่ถูกกลยทีเดียวเนี่ยถ้าเข้าใจผิดมันเลยผิดไปหมดถ้าเข้าใจถูกมันก็เลยถูกไปหมด มีแต่อุบายที่จะชำระสาสางและแก้ไขตนเองไม่ต้องแก้คนอื่นไม่ต้องชำระคนอื่นพิจารณาตนเองอยู่ตลอดเวลาเห็นโทษเรื่องทั้งหลายเหล่า น, นี้แล้วจะพยายามงดเว้นที่จะโทษคือจะทำความสงบมันยุ่งใดแล้วก็ต้องสงบได้มันยุ่งเกิดจากอะไรวุ่นเกิดจากอะไรเราจะทิ้งอันนั้นแหละจะปล่อยวางอันนั่นแหละให้หมดเรื่องนั้น ลองดูถ้าไม่มีมันจะเป็นไงมันมีมันไปอย่างงี้แหละเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มี ม, มันไปอยังไงอ่ะมันเป็เครื่องวัดเทียบมันอยู่นั่นนี่ทําให้มันมีเครื่องเทียบเพื่อวัดกันอยู่อย่างจึงจะเห็นคุณของพุทธศาสนาเมื่อเราทําได้งั้นแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมันในครั้งสองขวบเจ้ามากขึ้นทุกทีแล้วก็จิตใจจะตั้งมั่นแน่วแน่ ในการสร้างผล ง, งานความดีคือทำชำระจิตแสของเริตรลอดเวลาหามีปัญหาถามว่าถทำอย่นงไรไม่ต้องภาระไม่ต้องประกอบภาระจิตอื่นๆทำเหมือนกันมันจะทำได้ไหมเรื่องนั้นยังไม่พูดก่อนได้ไปได้ยังไม่พูดก่อนให้ทำตรงเนี้มันได้เสียก่อนแล้วลองให้มันเป็นอย่างนั้นลองดูเสก่อนแล้วจะทำได้ไหรือไม่ได้ราะฉนัน้นนั้นจะรู้ด้วยตนเอง แล้วสึกได้ตนเองทีเดียว <c oughs> อย่านี้เราไปกลัวเกรงก่อนกลัวจะทําอะไรไม่ได้กลัวไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะประกอบการงานอะไรไม่ได้หรือว่ามันเป็นอย่างนี้จะทําไม่ได้จะชําระสาสางไม่ได้ เ, เลยไปคายดเสน่หและกลัวข้างหน้าเลยต้องต้องฝ้าฝันเกันลงฝ้าฟันกันลงไปลองดูสิฝ่าฟันตรงดียดนี้แหละ ลองดูเดี๋ยวนี้แหละเวลาเป็นอย่างนี้แหละอะไรทั้งหมดมันสู้ความชละไม่ได้สักอย่างความชละอันเดียวเท่านั้นอ่ะมีอำ น, นาจถ้าเป็นดาบก็บคมเชียบทีเดียวนลัฟาดแตพทันอะไรขาดได้หมดอารมณ์อะไรก็ตามคลองเครื่องยุ่งอย่อะไรก็ช่าง ตายเป็นตายกั น, เ ป, นเป็นกันเป็นกันลง ก, กันหมดเรื่องนั่นถ้าอยู่ปกติธรรมดาจะมีเรื่องนั่นตัวเราจะต้องแตดต้องดับจะต้องสูงศูนย์สิ้นไปของนี่ไม่มีสาระเราอยู่อาศัยชั่วครัง้งยคระเวลานี้เราได้อาศัยมันดีนักอนะให้คิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดได้อย่างนั้นตลอดเรียกว่าอนุสติ ภาวนากรรมฐานก็ไมาา่ได้จะเอาชมนักชมนาว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเอาละเทศนนี้เราเนี่